ยิ้ดกุบแต่ไได้ตดานัายเขาแตกสันต์เนี่ยละิ้งไ้งยิ้งหรือยิ้งยิ้งกายตัว้กายเป็นชือ่ตัวสุทไเพียงทุกข์่จิตขัอกายเนี่ยตัวสทรัวตัวสรกายเป็นเป็นพระใจป็เน่ทุกข์ทุกข์ ทุกข์กับผลทุกข์กับผตัวเหตุที่ร่ากายต้องีใจตัวเหตุเป็นวัตถต้องมุทัยทุกข์ควรกาหนดรูสมทัยัวรักมีรถควรทาให้แย่งลับข้ามคนไปได้มีรถก็หีรถอันเียววันนึงละสมทุกข์นี่มันควจะหนีเลยมันเห็นว่ามจะข้องหนีอยู คงดีก็ออยัง ด, งดีคนดีก็ hiểu หยวไงหยวเลยะทักษะก็ต่างนที่ิวที่สัน้นที่สั้ไม่โด่เกิดมาไม่โด่งันไม่หิวหรวนั่นดีคือพวกยินดีเราพาคือพวกกำักนักรร จะทำมากามทิสใจว่างท่กัอาการใน้าเมื่อทิศใจมันยึดใจจิตใจก็เป็นกางนักกา่อตาเบลมาจิตจิตใจลุกจากการไปล้วยุ่ท่างธาตุกงกันหมดมันจะจิวนจะกลามเบื่อไดที่การเกิดนี่ เพวเกิดคือิดนึกเป็นนอยนเป็เกิดไป่ออกเป็เกิดไมได้กเป็นุบ่เกิดนะเมื่อเกิดมันกรดับเกิดรดับความันโดรา เ็เป็นน้ำท่ำยมันก็เป็นจุลยส่วนที่เป็นจุลิทรีก็้อนาตางหาโม่แล้วก็เห็นริงส่ที่โม่เห็นเลยจนมิตรน้ำก็ดีสอย่างชนิด้ไฟเป็นน้ำท่ำกพออันนี้แสงมันคเรือนี้ไแครไฟแคร์ก็ควบมรกับเป็น้ำทำไฟเป็นน้ำท่ำาขต่วกรแสัไหลอ่มัน่มีเได้ ก้อนดีก้อนน่าดีสักก้อนสักก้อนลทั้งสามทักก้อนนะเจ้ตัวในผู้เขาเาบ้นเมอันเดียววยม่เป็นเป็นตัวัเส้นเป็นโลกงตัวสเห็นทุกเจบบสาบเกบรดนีตัวสะแล้ว ไปเห็นเกิดผู้ทีับกโลกชูกพิบันู้รกลคือคิใจเลยยวนะนมี้มีที่จะเข้าไปยึดร่างกไปเพะมันโง่เพมันโมโมันเห็มันเห็นความจิงมันตื่นตื่นโม่งยังไงเมื่อโวยตื่นตื่นแล้วก็คิดว่าชาติตื่นตืนจะดีกว่ก็มาหัวบันเมื่อไม่แตกใจนกันโอ้ใชดแต่ใจยากตองให้กัน ข้อไการับผู้บ่าจัดรูปนั้นถ้ามันแม่เห็นเยเกิดว่าจะสร้งต่างที่ไหนตองกันหลายตัว่อมหาเป็ุทธเล่ถ้ามันไม่เห็นต้องการกุ้งสดชูกะอะไรมัติดอ่ะมันหลงอ่ะมันก็หลงอุนีว่าเห็นหลง่านัานเกิดเกิดว่าน่สร้างภพที่เกิดว่าจะนับโบราอีก เาแ้นานี Ý, úng, gì, ่กิดกระท้ออีไทั้งนามันยังม่ยมที่เดกนเ่นมันยังไม่ดียุ่ยยเกียดาแม่เดียวตอนนน่ค่ากระทกหลายสบ้าตาม่คี้บ้าตามบ้าร่วบ้าสงสารวงพ่ลแดง่นย้ำที่บกว่าเสียบบ มาเห็นกรดูมาแทบมัูแห้งเี่ยนเนี่ยมันดูห่วยนั่นน่ะเมื่อจริงเนี่ยเป็นจริื่อไองที่บกยิ่ดีเลยไปตามเห็นาเนี่ยเป็น่วงบันติกัน่งเป็น่วงซืองเขาจะทให้เป็นเงินเาจะให้เเป็นดีเขาจะแก้เขาจะแก้เจะตายบขจะทุมกอย่าบมันมี่จริงเออมันะทบทั้งนั้นเลย มันเป็นนี่เฉพาะรแยกเดี่ยวเดียวกีทุกอย่างนอกจากบริวารก็ส่ออยู่ทรัพย์สมบัตินี่อะไรนี่มาบริวารทรัพย์สมบัติเรืองทว่าเราม่บูชาตามก็ได้เรกไม่บูชาู้ก็ได้เราแม่บูชาแม่เก็ได้ทุกอยาว่าจะยกของทองส คงก็ควรจะเก้จะปวดอย่างนี้วก้นจะวเพ็จจะแคบอย่งนี้สาวก็จะเท็จจะแคบอย่างนี้นะวุ้นท nah. ี่ห้อยไม่ชใจกักเงนะแล้วมีเสียที่มี่นียนขะไม่เป็นโรกที่ก็ย่งยังวางไม่ดีอย่านีเป็นผล แค่ปวดหลังก็บกบบองก็ขไปเรเดีไม่จะ้หาเินมาแก่หาเิมาเมากุซกหาบ้านหาอยากุกปหาหมอาโรคหายไปแค่น้เองที่เขาเขาบนพีจจาไม่เห็นว่ิออกมากภาษีมันถ่มหลอไม่ต้องว่าต้องให้พวกอี ไรมันเก็บอะไรปวดอะไรน้ำนี่ยามที่นี่เก็บในในรูอ่ะยมีขงมูนี่เข้าไปวันนี้เด็กๆไรมัดยามากออกไปเลยมีสบายเขายากเีย น่งจิ้เฉนๆกินแงดูไม่หวานแ่แล้วอเดี๋ยวไมจิ้เยียบเลยยานไปรึเปล่าฉันไม่ได้รอดเลแก่ๆๆบางทีเลยเสียสละท่านผู้บุเห็นดีๆว่าเรื่อวกนี้ไม่ถ่วไป ทำานอย่างอื่นทำงานงานของศิลเล่นบานือยบขึ้นก็ได้งานองศิช่ีรุมันโวยเหี้ยทุกเนงานขาก็นน้นอนเกิดท้ที่เาที่หรือกะ่เพิ่งเนี้ไ่ได้ไว้พาึ่กันส่วนมันมีอส่วนเอาลักกาวันาเอาใจอ่านก็พอเล มั น, นม่เห็นทุกอย่างได้ดีที่ศึกษาทำมาทำทํางสอนของพูดเจ้าเจ้าร้องปฏิบูกมันก่มอเห็นได้ภาพอะไรมันม่เข้าพี่น้องมันม่เขาไปชินงายทีนเขาเลย มันตั้งใจแค่นี้มันเพิ่นดูได้เนนทีาย้บาครั้งบางคนที่้างนอกร้างรวนะเอาวเอาเอาส่วนนมาสวค่ปฏิโกรมนเอาหรืว่าส่วนงานยันว่าเยยทำอนลาซาล่าย่างทสองควากุเี่มีอบูช้างอบูช้างาตา ภาวนาอาบุญทัานคิดใจรักษาศีลเอาบุญทังร่างกายรักษาศีลต้องให้ห้ามเอาบุญทั้งกายอาบุญทั้งนอจารเอาบุญทัาา้งคิดใจสะสมชุกสุยังทำเมื่อกล้ า, จาใจเอาสุกคณะท น, านามาครับเจ็ดใจว่าไม่บอกไปตลอดไม่ต้องห ยังไม่ได้ก็ทิ้งก็เห็นชีเราก็ได้เป็นเงินเนแสนไม่ใช่ได้เป็นหอนมันบ่มันบ่สมเหตุสมผลมันอะไร เขาจะจกลัวตายเ่าอ่านเออาารื<ม> <c oughs> ไ่กลัวกระแจกพวกกลัวแตแจกที่เข้าไปนะครับเพ่าว่าปัปฏิบัติมันมีพูดข้าวกว่านี้<ม>ถ้าเสียสารุ่าจริงๆคำนไปเดี๋ยวก็จแล้วหมดหน้าที่คร ดีทังสิ้อยากให้มันเป็นอย่างนี้ดอะไอนี้จน่นี่นี่นี่นี่นี่าี่นีกนีเนี่นี่าี่น่น่นี่นี่นี่นี่นีกนี่นี่นเ่น่น้่นี่นี่นี่นี่นี่าเ่นี่นี่นี่าี่นี่นี่นี่นีก็ี่นี่นีนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นนี่นี่นี่นี่นี่นี่นนี่นนนี่นี่นี่นี่นี่นี่ี่ี่นี่นีนี่นี่นี่นี่น อยู่นต่วแ่อเรานลักีือลักทณะวดักบาปลักกรรมนี่แหลนบาปเก้นวนกนชนร่เนนไปอนงไปแล้วมันพอแล้วมัน ฟังได้เลยดู้นไใจหนิเนี่ยไม่พังไปกรรมกรรมทีเป็นได้คือกรรมที่กรรม่กรรมก็ตันเลยว่าคือว่างยุ่งไม่ว่างก็บู้ไม่กรรมกายกรรมว่าจีกรรมว่นกรรม กรรมเกิดเกิกายอาทรละทรกุพิธิกรรมจิตุระเมลัยเครื่องรองพร้อมมองพบบุตรคนท่างบุตุกรรมท่ามกรรเป็นกรรมวัชนันอย่างชีวิตโคตถกต้องป็นกรรมดีถ้ากรรมสองด้านบุตรคนท่างจิตกรรมที่เรา ตามคิดก่นึ่ดีเป็นกัรมุกเงนข้นนึ้นทีสติาเป็นเป็นธรรมโดลเป็นบุญเนกุศล้จบทุกกรรมทุกลงโดยลืมไม่บจาฆาตเม่่างคันค้นถึงชั้นอื่นโดยลืมโลกอย่างป็นจริงของของบุคคลว่เป็นของกุศลบาถทีบงเป็นบาปเป็นกรรม มึงมมสจะมาเขามาเขาจะทให้จิตใจืกว่านี่บกเื่องประสบสติผมเพีนกบเพีก็เพียเพียอยาบากที่เกิดขึ้นแล้วเพี้นกุก็คือก็เพีย นักาวเกุศลที่เกิดเดียวโให้มดไวเช่นตายก้มเพียรสถีระฤทธิ์ในฤธิ์เขาที่ดเป็นคุศลสมะสถีสมะสมะเทีมันต้งใจไวสินเชื่อทุกทวนที่พระธารมมีต่อไปก็จะให้เสื่อนั่งมาทงห้องรอดยี่ห้องลแกใจได้จะบวักตัวา โอตบักพวกที่กลัวโตบักพวกกรรมมุท่านตั้งสมาธิสมาธิตั้งตัวสมาธิอาจารย์ตั้งกรรตัวสมาชีวิตสมาวิโมติสมาสติสมาสติสัมมาไปว่าไม่่าที่สอบไม่ช่างจะไปทุกข์ดาวใส่ดาวมันมันเกิดก็เกิดที่เหนมันเกิดที่ไหนกระดาษก็ที่่ามันเกิดที่จนกระดาษก็ที่จีเหนียที่จีใครไม่ขู่ตกใครไม่เชื่ไม่รับใครก็ไปรับพี่ชองฟากับตัเลง งอกป่าถาจเอาอนาคตอนงคตนี่อนาคตชาตินามึงยันมือฟ้าิมาเห็นทนี่หัวดิเจปนผู้ให้่หดิจะเป็นผู้ดิจะเป็นผู้หญิงะไบางทีงม่ได้ปฏิบัติผู้ใดปฏิบัติเห็นือปฏิบัติไมได้ที่เข้าปนมาอนาคตอนาคต้อเป็นนั้น แล้การเป็นสิเมื่อปไม่ียเัาเป็นสิ่งมันก็คิดใจเราเป็นสิ่งนั่นตัวคนเดียแล้วก็คิดใจเราเป็นทั้มดทีก็ทั้งมดเดียนเดียวกันทีก็ทกถึการเียวคนเดียวกันทมก็คิดใจก็ถึงการเดียวันมันอยู่ที่เดียวันเด่ว่าจะูเรื่องดลูกดทุาี ที่เกิดมีมีเกได้หลวกปีนที่ถวพิชางอพิชางมีมีมีทั้งยาบด้วมีทั้งยาบมีเป็นทราการมีทั้งละเอียดด้วยสุดท้ายนจิตใจจะนาจิตเฉลิมก็ไปดิยกไปดาพิชามันพวท่านจีนจีนตามไปกละเมือตามไปก พว่าพิชิตคือเปลียนอยู่พอมาไม่ย้ายหนึ่มเลเปลียนก็เหงกับจองหเท่ากันก็ิมันก็คิดอันเดียวอยู่จินหลงอ่อาพิชิยาว่าเป็นปัจจัยให้เกริดสักขนชักขันก็ชักขันจิตใจชักขันร่างกายมันเกิดเร่องนีิ้นช้นเกิดเป็นผู้่บรักฐานอ่สัญญาเป็นชักขานสัญขานก็เป็นักขน เวทนาเป็นสังขารร่างกายคนชั่วคนชั่วที่เป็นสังขารแม่นเดียสังขารจวสังขารมันมันอยู่ที่กั้นยเดียวกัน้าเสียจะรางแท้จไม่เป็นยาวเลยทีเดวจารักวาลานั่งโทางโมงม่ลังจักรวาลธรารนั่งทางโตมุง่ลัง สักจ g งหวะท่านรัตำแห่งคนสำคัญแต่มันไม่ร่ำมันเป็นยาของสรรค์เลยเขาเป็นครูบาอาจารย์ทุกปบที่มันตายมาเนี่ช่วงพุทธศตวรรษที่วัช่วงช่วงที่มันตายอันนี้มันเป็นอายุของคนเนี่ยจะต้องหาเวทนามันเกิดขึ้นช่วงช่ี้เศรษฐีกูไม่เกิดมันเกิดขึ้นช่วงมันเถอนช่วงพุทธศตวมันเกิดขึ้นมากที่มันเกิดอะไก็ไักอะไรของมัน ม, มันพวกไม่จิตใจที่เป็นเป on ็นเป็นวทนาลัยที่คิดคำลบของไอ้ยิ่งที่เสื่อไอ้ยิ่งขึ้นวอหว่องเสียสลักพวกมันโดนเด็กพวมันโดนสัตว์เข้าไปผมจริงแล้วมันมันอยูคนดีาวบ้านนี่ใจกับที่ใจขาดที่ขาด ทันจะซือันมันก็ไม่หด่นเดียวกันด้วยเวลาทางตรงก็ีด้ามันพันมันพานเบี้ยนะไปจิตมันหยุดดีจิตมันสงบเข้าไปมันคุากถ้าเพามันโคนรหนัว่าเรื่องนั่นลันไม่ได้มันมันไม่ได้มันได้ที่หลังตพวมันโรมากมันไม่ออกมันคือพักออกคือเอา นอ้ําี่กองถ้ม้าจะตายก็ตายเย่ไม่้ง่แคหคำค่าที่ตายแค่ใช้หมาติแจ๊กซองถ้าม่แกซ่วงเสือกยก็ป่วยรงบนน่ถ้าตายร่องบนหนึ่งมันจะเป็นยังไดถ้าไม่านก็เป็นร่อหนึ่งถ้าว้ไปเลยรุกจกซ์หรืออะ่มันโคก็ตายแค่โ้งก็แยนี่มันกลัวก่ันนี่นอ้ําแกควัน เพราเขาไม่ตจะเหินลมู้ไมว่สูงเช่นไงพวกหันหน้าสูงเช่นไงานที่เกิดในงานาดินทุกกมเนี่ยมันยิ่งมจักมุสิบงเวรีจะส่งจะไปเศร้ามันท่านเห็นซ้ำงานไพ่หงไม่มีผลยังไยจะใช่น่างานดิช่วงมาจีเรียวเขาโกรธจีเรียบเขาโบรเศ้าเลยใช้เรียว่านี่จะิ บ่บ่ได en, ้ไปพักไปนั ouais konnte, ่งสักวันไปนั่งสกวันจะมาขาดใชแต่ี๋ยพออกจากอะรกับมาขาดขาดตัวอะไรวิไปนั่งมันมัดังตัวนอันนี้เป็นหนึ่ง่นีเดือนอยู่กรมงรน้ออันเลกกว่าความไม่ใ่านของท่า่งาท่านหนึ่าด่านงำตเศ่าเลยโยกคนไ่จั มันเห็นตัวพ่อเหยียันหน่อยยังเลยพูพ่อัมือหึงบดพ่อทิดเถื่อนเหมือนมันมันยไ่ได้ทิ์ใจเรื่องกบุปรแต่งงานนี่มันยกจริอย่างตำรวจร้อมให้ใจจิงจิงือกันพวเคยเอุ่นไม่ได้จะโทามนอกจากมั้มี่มุ้มีจะดีเลยดูดีหน่อยล้อยใจ ก็เชอวาใจแเพราะั away, 好好้นนี่เรพ่อคุตลาพสัญญาตัวเนี่ยผมมีต่อไปเรีเขามานตัวยานูููเาตั้รวจพตรวจมทีชหกตัวตรวจพวกการักตัวงได้ารยัก มะครัมหาธรรมายกตัสพ mm ัตตากตันตัวเมื่อที่ท่านตัได้เกินมือที่สูงอุ่นก็ว่าก็ว่าความสูงอุ่นที่ทุกอย่างทุกอย่า วันเสาร์จะนอนกูให้ยิ่วันถ้าไม่อยากวนารันอนกูเสียนจะไม่แยกอกวันอาทิตย์วันต้องเปี่ยนนะนอไก็ต้องหมดเลาสที่นอนนนี่ชโมงต้องหมดไปฟุ้นหัวว่ามันรู้สึกมาตรงกับเจดีที่เราสร้างไว้โออรู้สึกเป็นช่วั้าพิชฌายบาย ก็ให้รีบทําทาวัดเท้าตรวจสอบเงินเ่นั่งกับนั่งสมาธิต่อแล้วไจตอนตีสี 4, ่ีสี่ีห้าอย่าไปนอนทับถ้าไปนอนทับท่านว่าไม่ไปทารายทิ่ีพระอาหารหัน